พุทพจน์ต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าความรู้ความคิดเห็นในระดับที่ยังเป็นความเชื่อและเหตุผลยังเป็นความรู้ความเห็นที่บกพร่องมีทางผิดพลาดยังไม่ชื่อว่าเป็นการเข้าถึงความจริงน่ท่านพารัตถวาจ้าธรรมะหประการ น, นี้มีวิบากสองส่วนในปัจจุบันทีเดียวคือหนึ่งศรัทธา ความเชื่อ 2. รุดจิความถูกต้องความถูกใจ 3. อนุสวะการฟังหรือเรียนตามกันมา 4. อาการะปริวิตักกะการคิดรองตามแนวเหตุผลอา ทิฏฐินิชานะขันติความเข้ากันได้กับทฤษฎีของตนหรือการเพ่งพินิษด้วยทฤษฎีของตนก็สิ่งที่เชื่อสนิททีเดียวกลับเป็นของเปล่าเป็นของเท็จไปก็มีถึงแม้สิ่งที่ไม่เชื่อเลยทีเดียวแต่กลับเป็นของจริงแท้ไม่เป็นอื่นเลยก็มีสิ่งที่ถูกกับใจชอบทีเดียวกลับเป็นของเปล่า เป็นของเท็จไปเสียก็มีถึงแม้สิ่งที่ไม่ได้เห็นชอบถูกใจเลยแต่กลับเป็นของจริงแท้ไม่เป็นอื่นเลยก็มีสิ่งที่เรียนต่อกันมาอย่างดีทีเดียวกลับเป็นของเปล่าเป็นของเท็จไปก็มีถึงแม้สิ่งที่ไม่ได้เรียนตามกันมาเลยแต่กลับเป็นของจริงแท้ไม่เป็นอื่นไปเลยก็มีสิ่งที่คิดรองอย่างดีแล้วทีเดียว กลับเป็นของเปล่าเป็นของเท็จไปเสียก็มีถึงแม้สิ่งที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดรองเห็นไว้เลยแต่กลับเป็นของจริงแท้ไม่เป็นอื่นไปเลยก็มีสิ่งที่เพ่งพินิษไว้เป็นอย่างดีว่าถูกต้องตรงตามทิฏฐิทฤษฎีหลักการของตนกลับเป็นของเปล่าเป็นของเท็จไปเสียก็มีถึงแม้สิ่งที่ไม่เป็นอย่างที่เพ่งพินิษเห็นไว้เลย แต่กลับเป็นของจริงแท้ไม่เป็นอื่นเลยก็มีจากนั้นทรงแสดงวิธีวางตนต่อความคิดเห็นและความเชื่อของตนและการรับฟังความคิดเห็นและความเชื่อของผู้อื่นซึ่งเรียกว่าเป็นทัศนคติแบบอนุรักษ์หรือครุ่งครองสัจจะคือสัจจานุรักษ์หมายถึงคนรักความจริง รักในที่นี้มีสอบวอรศสีกรันนะครับบุรุษผู้เป็นวินยูเมื่อจะอนุรักษ์สัจจะไม่ควรลงความเห็นในเรื่องนั้นเด็ดขาดลงไปอย่างเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเหลวไหลทั้งนั้นถ้าแม้นบุรุษมีความเชื่อคือมีศรัทธาอยู่อย่างหนึ่งเมื่อเขากล่าวว่าข้าพเจ้ามีความเชื่ออย่างนี้อย่างชื่อว่า เขาอนุรักษ์สัจจาอยู่แต่จะลงความเห็นเด็ดขาดลงไปอย่างเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นแล้วหลายทั้งนั้นไม่ได้ก่อนด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ชื่อว่ามีการอนุรักษ์สัจจาและคนผู้นั้นก็ชื่อว่าอนุรักษ์สัจจะอีกทั้งเราก็บัญญัติการอนุรักษ์สัจจาด้วยการปฏิบัติเพียงเท่านี้ แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการยังรู้สัจจะถ้าแม้นบุรุษมีความเห็นที่ถูกใจมีการเรียนต่อกันมามีการคิดรองตามเหตุผลมีความเห็นที่ตรงกับทฤษฎีของตนอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเขากล่าวว่าข้าพเจ้ามีความเห็นที่ถูกใจอย่างนี้มีการเล่าเรียนมาอย่างนี้มีสิ่งที่คิดรองตามเหตุผลได้อย่างนี้ มีความเห็นตามทฤษฎีของตนว่าอย่างนี้ก็ยังชื่อว่าเขายัางคุ้มครองสัจจอยู่แต่จะลงความเห็นเด็ดขาดลงไปเป็นอย่างเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นแล้วหลายทั้งนั้นไม่ได้ก่อนด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ชื่อว่ามีการคุ้มครองสัจจและคนผู้นั้นก็ชื่อว่าคุ้มครองสัจจาอีกทั้งเราก็บัญญัต การคุ้มครองสัจจะด้วยการปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการยังรู้สัจจะถ้าทีนี้ปรากฏชัดเมื่อตรัสเจาะจงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาคือในคราวที่มีคนภายนอกกำลังพูดสรรเสริญบ้างติเตียนบ้างซึ่งพระพุทธศาสนา รพระภิกษุสง์นำเรื่องนั้นมาสนทนากันพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้ามีคนพวกอื่นมากล่าวติเตียนเราติเตียนธรรมติเตียนสงเธอทั้งหลายไม่ควรอาฆาตไม่ควรเศร้าเสียใจไม่ควรแค้นเคืองเพราะคาติเตียนนั้นถ้าเธอทั้งหลายโกรธเคืองหรือเศร้าเสียใจเพราะคาติเตียนนั้น ก็จะกลายเป็นอันตรายแก่พวกเธอทั้งหลายเองนั่นแหละคือหากพวกคนอื่นติเตียนเราติเตียนธรรมติเตียนสงฆ์ถ้าเธอทั้งหลายโกรธเคืองเศร้าเสียใจเพราะคำติเตียนนั้นแล้วเธอทั้งหลายจะรู้ชัดถ้อยคำนี้ของเขาว่าพูดถูกพูดผิดได้หรือภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าไม่อาจรู้ชัดได้ภิกษุทั้งหลาย ถ้ามีคนพวกอื่นกล่าวติเตียนเราติเตียนธรรมติเตียนสงฆ์ในกรณีนั้นเมื่อไม่เป็นจริงพวกเธอก็พึงกล่าวแก้ให้เห็นว่าไม่เป็นจริงว่าข้อนี้ไม่เป็นจริงเพราะอย่างนี้อย่างนี้ข้อนี้ไม่ถูกต้องเพราะอย่างนี้อย่างนี้สิ่งนี้ไม่มีในพวกเราสิ่งนี้หาไม่ได้ในหมู่พวกเราภิกษุทั้งหลาย ถ้ามีคนพวกอื่นกล่าวชมเราชมธรรมชมสงเธอทั้งหลายไม่ควรเรืองใจไม่ควรดีใจไม่ควรกระยิมลำพองใจในคำชมนั้นถ้ามีคนมากล่าวชมเราชมธรรมชมสงหากเธอทั้งหลายเรองใจลำพองใจแล้วไซก็จะเป็นอันตรายแก่พวกเธอเองนั่นแหละถ้ามีคนมากล่าวชมเราชมธรรมชมสง ในกรณีนั้นเมื่อเป็นความจริงพวกเธอก็ควรรับรองว่าเป็นความจริงว่าข้อนี้เป็นจริงเพราะอย่างนี้อย่างนี้ข้อนี้ถูกต้องเพราะอย่างนี้อย่างนี้สิ่งนี้มีในพวกเราสิ่งนี้หาได้ในหมู่พวกเราต่อจากการอนุรักษ์หรือคุ้มครองสัจจะคือสัจจานุรักษ์พระพุทธเจ้า ส่งแสดงข้อปฏิบัติเพื่อให้อย่างรู้สัจจะคือสัจจานุโภตและเข้าถึงสัจจะคือสัจจานุบัติและในกระบวนการปฏิบัตินี้จะมองเห็นการเกิดศรัทธาความหมายความสำคัญและขอบเขตความสำคัญของศรัทธาไปด้วยดังนี้ด้วยข้อปฏิบัติเท่าใดจึงจะมีการอย่างรู้สัจจะ และบุคคลจึงจะชื่อว่าอย่างรู้สัจจะเมื่อได้ยินข่าวว่ามีภิกษุเข้าไปอาศัยหมู่บ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่คข้าฤาบดีก็ดีบุตรคข้าฤาบดีก็ดีเข้าไปหาภิกษุนั้นแล้วยอมใครครวนดูในธรรมะจำพวกโลภะธรรมะจำพวกโทสะธรรมะจำพวกโมหะว่าท่านผู้นี้มีธรรมะจาพวกโลภะ ที่จะเป็นเหตุครอบงำจิตใจทำให้กล่าวได้ทั้งที่ไม่รู้ว่ารู้ทั้งที่ไม่เห็นว่าเห็นหรือทำให้เที่ยวชักชวนคนอื่นให้เป็นไปในทางที่จะก่อให้เกิดทุกข์ชั่วกาลนานแก่คนอื่นหรือไม่เมื่อเขาพิจารณาตัวเธออยู่รู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่มีธรรมะจ้งพวกโลภะที่จะเป็นเหตุครอบงำจิตใจทำให้กล่าวได้ทั้งที่ไม่รู้ว่ารู้ ทั้งที่ไม่เห็นว่าเห็นหรือทาให้เที่ยวชักชวนคนอื่นให้เป็นไปในทางที่จะก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลและเกิดทุกข์ชั่วกาลนานแก่คนอื่นๆได้เลยอันหนึ่งท่านผู้นี้มีกายสมาจารวาจีสมาจารอย่างคนไม่โลกธรรมะที่ท่านผู้นี้แสดงก็ลึกซึ้งเห็นได้ยากอย่างรู้ได้ยากเป็นของสงบประณีดไม่อาจเข้าถึงได้ด้วยตักกะ ละเอียดอ่อนบัณฑิตจึงรู้ได้ธรรมะนั้นไม่ใช่สิ่งที่คนโลภจะแสดงได้ง่า ย, ายเมื่อใดเขาพิจารณาตรวจดูมองเห็นว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์จากธรรมะจำพวกโลภแล้วเมื่อนั้นเขายอมพิจารณาตรวจดูเธอยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกในธรรมะจำพวกโทษะในธรรมะจำพวกโมหะ ละจนถึงเมื่อใดเขาพิจารณาตรวจดูมองเห็นว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์จากธรรมะจำพวกโมหะแล้วราวนั้นเขายอมฝังศรัทธาลงในเธอเขาเกิดศรัทธาแล้วก็เข้าหาเมื่อเข้าหาก็คอยนั่งอยู่ใกล้คือคบหาเมื่อคอยนั่งอยู่ใกล้ก็เงียโสดลงคือตั้งใจคอยฟัง เมื่อเงียบโสดลงก็ได้สดับธรมรมรันสดับแล้วก็ส่งธรรมไว้ยอมพิจารณาไตรตรองอัฏะแห่งธรรมะที่ส่งไว้เมื่อไตรตรองอัรฐอยู่ก็เห็นชอบด้วยกับข้อธรรมะตามที่ทนต่อการคิดเพ่งพิสูจน์เมื่อเห็นชอบด้วยกับข้อธรรมะดังที่คิดเพ่งพิสูจน์ฉันทะก็เกิดเมื่อเกิดฉันทะ คาอุตสหะร้นอุตสาหะแล้วก็เอามาคิดทบทวนเทียบเคียงครั้นเทียบเคียงแล้วก็ยอมลงมือทําความเพียรเมื่อลงมือทําทุ่มเทจิตใจให้แล้วก็ยอมทําปรมาถสัจจะให้แจ้งขับตัวและเห็นแจ้งแทงตลอดปรมาทสัจจะนั้นด้วยปัญญา ด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้ชื่อว่ามีการยังรู้สัจจะและบุคคลชื่อว่ายังรู้สัจจะแล้วเราย่อมบัญญัติการอย่างรู้สัจจะคือสัจจานุพจน์ด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้แต่ยังไม่ชื่อว่าเป็นการเข้าถึงสัจจะก่อนด้วยข้อปฏิบัติเท่าใดจึงมีการเข้าถึงสัจจะและคนจึงจะเข้าถึงสัจจะ การอเสวนาะการเจริญการกระทำให้มากซึ่งธรรมะเหล่านั้นแหละชื่อว่าเป็นการเข้าถึงสัจจะคือสัจจานุบัติ